ทุกคนมีหน้าที่หน้าที่แรกของชาวพุทธเรียนให้รู้เรื่องลงมือปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ที่สองเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วนะมีกําลังก็ช่วยกันงั้นหน้าที่พวกเรานะหลวงพ่อบอกไปเลยพวกเราหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องก่อนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็ ร, รู้ว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้วิธีปฏิบัติท่านก็สอนไว้ละเอียดนะเริองต้นรักษาศีลไว้ก่อนศีลห้าก็พอแล้วเพราะคนที่มีศีลจะทําสมาธิง่ายคนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านเมื่อมีศีลแล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจกวันไหนใจฟุ้งซ่านก็ฝึกให้สงบวันไหนสงบแล้วก็ฝึกให้ตั้งมั่นให้เป็นคนดู เห็นรูปนามกายใจทํางานตรงที่เรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปนามกายใจทํางา น, นนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานเราไปกลัวคําว่าวิปัสสนาบางคนกลัววิปัสสนาฟังแล้วมันลึกลับมากเลยอะไรก็ไม่รู้ที่จริงก็คือกระบวนการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจเราเองนี่เองแค่กระบวนการวิธีการที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจ วิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะมันอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานนะเรื่องสำคัญที่พวกเราต้องรู้นะคือเรื่องการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทำไปเพื่อสองวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นทำไปเพื่อความมีสติในเบื้องปลายทำไปเพื่อความมีปัญญานะไม่เหมือนกันเบื้องต้นให้ให้ฝึกให้มีสติ อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเช่นร่างกายหายใจออกเรารู้ทันเรียกว่ามีสติร่างกายหายใจเข้ารู้ทันเรียกมีสติร่างกายหายใจอยู่ก็ลืมมันไปเรียกขาดสติ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ว่ามันยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เรียกมีสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้สึกนะใจลอยไปที่นี่เรียกขาดสติจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์ถ้ารู้ทั น, นเรียกมีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตมีความสุขก็ไม่รู้จิตมีความทุกข์ก็ไม่รู้จิตเฉยๆก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าขาดสติ จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจโลงเกิดขึ้นถ้ารู้ทันก็เรียกว่ามีสติถ้ารู้ไม่ทันใจลอยไปที่อื่นโกรธอยู่ก็ไม่รู้ว่ากำลังโกรธนะอย่างเราเวลาเราโกรธใครสักคนเนะ่เราไม่ดูที่ใจเราว่ากาลังโกรธหรอกแต่เราจะไปดูคนที่เราโกรธนะอย่างเวลาเราขับรถอยู่แล้วคนปาดหน้าเราเราโกรธเนี่ยเราจะไม่ย้อนมาดูว่าใจกาลังโกรธ แต่เราจะไปดูไอ้คนที่ปาดเรานั่นมันไปโน่นแล้วมันไปโน่นแล้วจะชนไม่ชนชนไปเลยนะแช่งมันไปเรื่อยๆหรือกดแตรด่ามันนะตามนิสัยคนไทยกดแตรเนี่ยมักจะดา่าแต่คนแขกนี่กดแตรคือยุกมือว่างๆนะกดมันทั้งหวัด น, นะขับรถไปไมันกดตลอดนะ <c oughs> ถ้าเรามีกายเราลืมกายเรียขาดสติจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลไม่รู้ทันก็เรียกว่าขาดสติการจะฝึกให้เกิดสติทํำยังไงนะ ขั้นแรกเลยอยู่ๆจะสั่งให้มีสติมันไม่มีหรอกสติมเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่สตินะ่าเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจําสภาวะที่หายใจออกหายใจเข้าแม่นพอหายใจออกหายใจเข้าขึ้นมานะสติก็จะเกิดเองจิตจําสภาวะยืนเดินนั่งนอนได้แม่นพอร่างกายขยับตัวนิดเดียวนะสติก็เกิดเองจิตจําความสุขความทุกข์ได้แม่นเพรามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตนะหรือในร่างกายนะ สติก็เกิดเองถ้าจิตมันจําความโลภความโกรธความหลงได้แม่นพอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตนะสติก็เกิดเองรู้ทันว่ามันเกิดแล้วสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนี่วิธีฝึกฝึกยังไงก็ฝึกด้วยการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานนัะมีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คำหรอกอันแรกเลยคือมีคําว่าวิหารธรรม อย่างบาลีบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติวิหารติคือมีวิหาราธรรมต้องมีที่ตั้งของสติเอาสักอย่างหนึ่งนะในกายร่างกายนี้ก็ได้หรือความสุขทุกข์ก็ได้นะดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ดูกระบวนการทำงานของรูปปะธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็ได้นะต้องมีฐานสักอย่างหนึ่งก่อน แล้วเราก็คอยรู้ทันเวลาที่เราลืมฐานอันนั้นนะเช่นบางคนใช้ลมหายใจเป็นฐานเป็นวิหารธรรมหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมีฐานคือลมหายใจนะเรื่องอานาปานาสติก็เป็นฐานอันหนึ่งทางกายลมหายใจเป็นเรื่องกายนี่อยู่ในกายานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานหมวดกาย หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกต่อมาเวลาเราเผลอตัวอย่างโกรธใครสักคนนะเราลืมกายเราลืมใจของเรา เ, เราโกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะมันจะหายใจแรงขึ้นเร็วขึ้นพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนะสติที่เคยรู้ลมหายใจบ่อยๆมันจะรู้ทันลมหายใจขึ้นมาใหม่มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ หรือบางคนดูความสุขความทุกข์ไปเรื่อยนะพอจิตใจมีความสุขขึ้นมาสติก็ระลึกได้ว่ามีความสุขยังต้องมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีวิหารธรรมจะปฏิบัติยากมันสเปสสะปเกินไปไม่มีเครื่องสังเกตถ้ามีวิหารธรรมคือเอากายเอาเวทนาคือความสุขทุกข์นะจิตคือหมายถึงจิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วของจิตธรรมหมายถึงอะไรธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมนะ ซึงกับดูกระ บ, บวนการทํางานของมันเช่นดูว่านิวรณ์เอานิวรณ์มาเป็นฐานก็ได้นะใช้นิวรณ์เป็นฐานในการเจริญปัญญาถ้าเจริญสติเจริญปัญญาก็ได้ถ้าใจมีกรามฉันทะเกิดขึ้นก็รู้ถันก็จะรู้โอ้กรามฉันทะเกิดแล้วต่อไปรู้อีกเพราะมันได้อารมณ์ที่ชอบใจนะกรามฉันทะถึงเกิดถ้าได้อารมณ์ไม่ชอบใจกรรมฉันทะไม่เกิดความพอใจในการมไม่เกิด หรือความพยาบาทเนี่ยมีการตรึกในทางที่ไม่ดีของกับคนอื่นนะความพยาบาทถึงจะเกิดจะจะเห็นกระบวนการทั้งมันว่าเพราะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอันนี้เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนาไม่เฉพาะดูกิเลสเรานะดูกุศลสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้ดูโพธชงนะดูโพธชงเจสติเกิดได้ยังไงนะธรรมวิจยะเป็นยังไงวิริยะ ปีติปสัสสธิสมาธิอุเบกขาแต่ละอันแต่ละอันเกิดขึ้นมาได้ไงส่งทอดกันไปได้ยังไงอันนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเป็นของละเอียดอ่อนนะยากมากในเบื้องต้นที่เราจะปฏิบัติเนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตสาอย่างนี้ก็พอยังไม่ต้องขึ้นถึงหมวดสุดท้ายของสติปัฏฐานสี่เอาสามัญแรกก่อน สามารถแรกทําให้ได้ชํชนานี้ชํานาญจิตจะพัฒนาขึ้นไปอย่างที่4ี่เองสุดท้ายทุกคนไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาหรือดูจิตจะเห็นแจ้งอริยสัจซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาเหมือนเหมือนกันหมดเลยยิ่งต้องมีบ้านให้จิตอยู่เราก็ดูตัวเองนิสัยใจของเราเป็นยังไงถ้าเรารักสุขรักสวยรักสบายนะอย่างเนี้ให้ดูกายหรือเวทนา พอกายหรือเวทนาจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งำนะให้ดูกายเวทนาแต่ถ้าเราเป็นคนช่างคิดจเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นมีความคิดความเห็นตลอดเวลาให้ดูจิตจิตนี่แหละเวลามีความคิดความเห็นต่างๆที่มาคิดเรื่องนี้เกิดราคะรู้ทันคิดเรื่องนี้เกิดโทสะรู้ทันคิดเรื่องนี้เกิดกุศลรู้ทันนั่เนนะเราดูนิสัยของเราเอง ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรไม่ใช่ทํากรรมฐานตามยถากรรมถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายหรือเวทนานะเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้ถ้าเราเป็นคนช่างคิดเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงให้ดูจิตนะให้ดูจิตวิธีดูกายทำยังไง วิธีดูกายกับวิธีดูจิตไม่เหมือนกันเราจะดูกายหรือดูเวทนาได้ดีนี่ยจะต้องมีสมาธิหนุนหลังงั้นท่านบอกว่ากายและเวทนาเนี่ยหมาะกับสมถะอางนี้เหมาว่าคนเล่นฌานถ้าทําฌานไม่ได้นีดูกายยากมันจะไม่เห็นรูปแต่มันจะเห็นสมมุติบัญญัติของร่างกายอย่างเวลารู้สึกในร่างกายเขาจะเห็นผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเงี้ย ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกไม่ใช่ตัวรูปนะเป็นตัวร่างกายต่างๆส่วนต่างๆตัวรูปจริงๆคือธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมในผมหนึ่งเส้นก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีครบทั้งสี่ธาตุเลยธาตุเนี่ยจะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้ธาตุต้องอยู่รวมกันสี่ธาตุนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีที่ตั้งคือสเปซหรืออากาศสธาติเป็นที่ตั้งของรูป ถ้าไม่มีสเปซไม่มีที่ตั้งนะรูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะแตกสลายออกไปเพราะนั้นธาตุนี้มันประชุมกันการที่เราจะเห็นกระทั่งผมเส้นเดียวก็ยังประกอบด้วยธาตุสี่ตั้งอยู่ในอากาศสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดหรอกหลายคนชอบมักง่ายนะคิดเอาเองว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตดูกายให้เป็นสมถะเนี่ยง่าย แต่ดูกายให้ขึ้นวิปัสนาจริงๆนะถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงๆดูยากมันจะไปเห็นสมมุติบัญญัติสมมดเดูหน้าตัวเองเห็นอะไรเห็นหน้าของเราใช่แทนที่จะเห็นรูปสิ่งที่ตามมองเห็นคืออะไรสิ่งที่นตามองเห็นไม่ใช่หน้าของเราจะไปดูกระจกเนี่ยสิ่งที่ตามมองเห็นไม่ใช่หน้าของเราในกระจกนะสิ่งที่ตามมองเห็นคือสีคือแสงคือสีที่ตาไปกระทบเข้า สติปัญญาไม่พอนะไม่เห็นหรอกว่าที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นแค่สีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วความสำคัญมั่นหมายความหมายรู้คือสัญญาเขาไปแปลตัดกันอย่างนี้เรียกว่าผู้ชายผู้หญิงนี่คนนี่หมานี่ต้นไม้นี่ภูเขาแท้จริงไม่ว่าเราจะดูอะไรนะทุกสิ่งที่เราเห็นนะจริงๆก็คือสีคือแสงเท่านั้นเองนะไม่มีอย่างอื่นเลย เนี่ยกว่าจะสติปัญญาทะลุเข้ามาเห็นว่าสิ่งที่มองเห็นไม่ใช่คนหรอกเป็นแค่รูปอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวันนรูปฤศีนะไม่ใช่วันนรคนะวันนรูปฤศีสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เรื่องราวสิ่งที่ได้ยินคือเสียงที่สูงสูงต่ตําๆคลื่นเสียงสิ่งที่มองเห็นก็คือคลื่นแสงสิ่งที่ได้ยินก็คือคลื่นเสียง ส่วนที่จะมาแปลว่าคําชมคําด่าเสียงคนเสียงหมาเสียงลมพัดเสียงน้ําไหลอันนี้เป็นการแปลความของสิ่งที่เรียกว่าสัญญางั้นสิ่งที่ตาเห็นจริงๆเป็นรูปแท้ๆนะดูยากไม่ค่อยเห็นก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาสิ่งที่หูได้ยินจะเป็นเสียงแท้ๆเนี้ยเข้าใจยากนะก็จะไปได้ยินเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาอะไรขึ้นมามันจะกลายเป็นมีเราขึ้นมาหมดเลย เพราะฉะั้นกว่าจะทะลุสมมุติบัญญัติเข้าไปเห็นรูปตัวจริงได้ไม่ใช่เรื่องเล็กเล่นหรอกนะบางคนมักง่ายบาดูกายง่ายกว่าดูจิตดูกายเนี่ยสติปัญญาสมาธิไม่พอนะธาตุขันยังไม่แตกให้ดูจะเห็นขันแต่ละขันเห็นธาตุแต่ละธาตุนะดูไม่ออกนะไม่เหมือนดูจิตนะดูจิตเนี่ยหมาะกับวิปัสสนาญาณิคือพวกที่เดินปัญญาไปเลยแล้วมันไม่ได้ฌานยังไม่มีฌานมาก่อน ตัวนี้พวกมักง่ายก็ชอบพูดนะว่าต้องเข้าฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้อ น, นั้นพูดเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ว่าเข้าฌานก่อนเนี่ยเดินปัญญาในการดูกายและเวทนา ง, ง่ายนะต้องใช้คำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะดูจิตเนี่ยอย่าไปเข้าฌานก่อนถ้าไปเข้าฌานก่อนแล้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างมันจะนิ่งๆว่างๆโล่งๆสบายไปไม่มีอะไรเลยนะกลายเป็นดูความเกิดดับของจิตไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ งั้นถ้าเราเข้าฌานทำสมาธิลึกๆไม่เป็นนีดูจิตไปอย่าน้อยเนื้อต่ําใจว่าชาตินี้อาภัพเข้าฌานไม่เป็นดูความเกิดดับของจิตไปเรื่อยนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายดูอย่างนี้อย่าไปดูจิตแล้วก็คือไปจ้องจิตให้นิ่งๆอยู่อันนั้นไม่เรียกว่าดูจิตแต่เรียกว่าเพ่งจิตดูจิตก็คือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิต จิตจิตมีความสุข evet. ก็ร <IL> ู <sy> <Mustang> <ball> ้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้หัดรู้บ่อยๆไปแต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวไปหมดถึงจุดหนึ่งปัญญามันแทงตลอดจริงๆนะจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา ตรงที่รู้อันนี้นะจิตจะรวมเข้าฌานอัตโนมัติเลยแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นนะมันรู้เองมันเป็นเองฌนะานนะ่ะยังไงก็ต้องได้ถ้าไม่มีฌานนะไม่เกิดมรรคผลเพราะมรรคผลเกิดในฌานเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นจิตเส้นใต้สองเส้นเลยนะมรรคผลไม่เกิดตอนที่จิตอยู่ในกามาวจรอย่างนี้จิตเราเนี่ยเรียกว่ากามาวจรนะกามาวจรหมายจรหมายถึงอะไรท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปในกาม อะไรเรียกว่ากาม ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพลาทั้งหลายนัจิตเราเที่ยวไปในสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาบรรลุมรรคผลนจิตจะไม่เที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่จิตจะตั้งมั่นลงที่จิตนะเพราะฉะนั้นฌานจะเกิดขึ้นอัตโนมัติงั้นเราดูตัวเองนะถ้าเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ตั้งอกตั้งใจฝึกสมาธิให้มากหน่อยแล้วก็มาเดินปัญญาเอามาดูกายดูเวทนาถ้าเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นะ เราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดินไปแล้วก็จะไปสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะแต่วิธีการนั้นไม่เหมือนกันเห็นเบื้องต้นนะฝึกให้มีสติด้วยการหัดรู้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยๆเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยหรือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกจิตโอบโกรธหลงรู้สึกจิตไม่ลอบไม่โกรธไม่หลงรู้สึกเนี่ยคอยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะ ต่ไปพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายก็รู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตก็รู้สึกอันนี้เรียกว่าเราได้สติล้พอได้สติแล้วก็มาเดินปัญญาต่อนะก็อาศัยการที่มีสติไปรู้อารมณ์ที่เป็นวิหารธรรมของเรานั่นแหละใช้อารมณ์อย่างเก่านั่นแหละที่เคยฝึกให้มีสติขึ้นมานะเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแต่ไม่รู้ลมหายใจเพื่อจะรู้ลมหายใจนี่พูดฟังยากไหมใครแปลภาษาฝรั่งคงงงไปเล ให้หลวงพ่อพูดซ้ําก็คงไม่เหมือนเดิมหรอกนะเรารู้ลมหายใจนะแต่ไม่ใช่รู้รู้เราพิดจ้องไว้ที่ลมนะหรือรู้แค่ว่ามีลมเข้าลมออกแต่เราจะรู้จนกระทั่งเห็นความจริงเลยว่าตัวที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาได้นะสติปัฏฐานนะสอนนอกจากคําว่าวิหารธรรมคือเครื่องอยู่แล้วเนี่ยคำต่อไปมีคําว่าอาตาปี อาตาปีคือมีความเพียรแผดเผากิเลสเราภาวนาเรามีวิหารธรรมมีสติรู้อารมณ์รูปนามที่เป็นวิหารธรรมของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสแต่เพื่อจะแผดเผากิเลสให้รล่าร้อนไม่ใช่ทําเพื่อความสุขความดีความสงบอะไรทั้งสิ้นเลยถ้ายังอยากได้สุขได้สงบได้ดีเนี่ยยังทําสนองกิเลสอยู่แต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริง ไม่ใช่เพื่อจะเอาแต่เพื่อจะให้เห็นถ้าทําเพื่อจะเอาเรียกว่าทําเพื่อสนองกิเลสจะเอาอะไรเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่ถ้าทําเพื่อจะเห็นความจริงเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเห็นแล้วก็ไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนอกจากความโง่ไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนะพระอรหันต์เนี่ยภาวนามาปางตายนะไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปนะ ถ้าทำลายอันเดียวคือความไม่รู้ออกไปเท่านเองแล้วความไม่รู้นี่เองผลักดันให้เกิดตัณหาตัณหาผลักดันให้เกิดพบคือการดิ้นรนของจิตเกิดทุกข์ขึ้นมาดังนะั้นเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่เราปฏิบัติเพื่อจะรู้อย่างที่มันเป็นนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีความเพียรที่แผดเผากิเลสนะแต่ถ้าเพียรเพื่อจะสนองกิเลสก็ไม่ใช่หลักของสติปัฏฐานนะอาตาปีแล้วก็สัมปชัโนมีความรู้สึกตัว คำว่ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวแบบมีสติรู้สึกตัวหมายถึงว่ารู้ว่าเรานะอะไรมันมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราสิ่งที่มีประโยชน์มีตั้งหลายอย่างแต่บางอย่างไม่ได้เหมาะกับเราเราก็ไม่เอา พอเรารู้ว่าอะไรเหมาะกับเราเราไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมสิ่งที่เหมาะกับเราคอยมีสติระลึกรู้สิ่งนั้นเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรกับเราอะไรไม่ควรแล้วก็ถ้ารู้ว่าอะไรควรกับเราเช่นเราควรทําสมถะด้วยอานาปนสติเราก็ไม่ลืมอานาปานสติเราควรจะทําสมถะด้วยการเจริญเมตตาก็ไม่ลืมการเจริญเมตตาอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะ ควรเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือควรเจริญปัญญาด้วยการดูจิตถ้าเรารู้ว่าเราคว by, รเจริญปัญญาด้วยการดูกายนะเราก็ไม่ลืมกายคอยรู้สึกกายอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะไม่ลืมงานที่เราต้องทำนะถ้าเราถนัดดูจิตเราควรจะดูจิตเราก็ไม่ลืมจิตคอยดูจิตเรื่อยๆไม่หลงลืมมันไปอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะแล้วก็มีสติมีสติก็คอยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไป ถ้าฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอมันมีสติเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะของกรรมฐานที่เราควรจะรู้ควรจะดูโดยความมีความเพียนแผดเผากิเลสหมายถึงรู้เพื่อจะรู้รู้เพื่อเข้าใจความจริงไม่ใช่รู้เพื่อจะยึดถือเอาไว้นะเราไม่จริงวิหารธรรมมันนั้นเรียกว่ามีวิหารธรรมมีความเพียนแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวสัมปชัญญะมีสติเมื่อฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลาง มันจะถอดถอนความยินดียินร้ายเสียไดนะ้เช่นมันเห็นแล้วว่าความสุขเป็นของชัโชคราวความทุกข์เป็นของชโชคราวต่อไปมันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์ได้มีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงดีใจเพราะรู้ว่าความสุขก็เป็นของโชโวคราวหรือความทุกข์เป็นของโชโวคราวนะไม่ดีใจไม่เสียใจกับสิ่ ง, งทั้งหลายเหล่านี้เลยที่จะเป็นกลาง มีกิเลสขึ้นมาก็ไม่ได้ไปเกลียดมันนะก็รู้ว่ากิเลสเกิดได้ก็ดับได้นะมีกุศลเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ไปยินดีพอใจกับมันเพราะรู้ว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้เนะี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะงั้นในภาษาบาลีนะจะพูดหลักของสติปัฏฐานไว้ยกตัวอย่างสติปัฏฐานมี4ี่นะหลวงพ่อพยกอันเดียวก่อนคือกายนี่บอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรม อาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชาโนมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวมีสติสติมานะอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอพิชาโทมณัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได็จเนะนี่ยการที่เรามีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งเช่นเห็นร่างกายหายใจอยู่ในจิตเราเป็นคนดูนะจิตเราไม่เข้าไปแทรกแซงปัญญามันเกิดอยู่นะว่า ความจริงของกายเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะยุดกายไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายมีความสุขแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายปฏิบัติเราก็ไม่หลงลืมกายถ้าเราถนัดดูกายจะดูกายนะดูไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยใจจะเป็นกลางต่อร่างกายเราหันดูจิตใ จ, จไปเรื่อยนะสุดท้ายใจเราจะเป็นกลางต่อจิตใ จ, จ จิตใจเป็นสุขก็ไม่หลงยินดีจิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่ยินร้ายจิตใจโลภโกรดหลงก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับมันนะจิตใจจะเป็นกุศลก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับมันจิตที่เข้าถึงความเป็นกลางไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายนะมันจะทำให้เกิดความเที่ยงธรรมในการเห็นสภาวะเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายอย่างที่เป็นโดยไม่มีอคติไม่มีบแอส ยินดียินไลเป็นใบแอสนี่เป็นวิธีขจัดใบแอสออกจากใจเราเพื่อให้เห็นสภาวะซื่ อ, อื่อตรงๆเราจะเห็นรูปโดยไม่มีอคติต่อรูปไม่รักรูปไม่เกลียดรูปเราจะเห็นนามธรรมา ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอคติต่อนามธรรมา ท, ทั้งหลายไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดมันการที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากอาคตินี่เราจะเห็นมันตรงตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อ ถึงยังไงก็เบื่อเพราะไม่ใช่ของดีอย่างที่เคยคิดเลยความจริงของร่างกายนะ่ะไม่ใช่ของดีเลยความจริงของจิตใจไม่ใช่ของดีเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อนหน่ายเพราะเบื่อนหน่ายจึงคลายกำนัดคลายความยึดถือเพราะคลายความหนัดคลายความยึดถือจิตจึงหลุดพ้นจิตจะสลัดคืนร่างกายให้โลกคืนจิตใจให้โลภเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ว่าสามารถปล่อยวาง ความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่ยึดกายไม่ยึดใจไม่มีสิ่งใดให้ยึดอีกใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะไม่มีอะไรมาเสียดแทงมันได้อีกต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายจิตจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคนที่เป็นญาติเป็นมิตรกระทั่งพ่อข้างแม่เราจะตายนะจิตยังเบิกบานอยู่ได้ในภาวะอย่างนั้นที่คนอื่นร้องไห้จิตจะเบิกบานอยู่ได้นะ เพราะว่าจิตมันฉลาดแล้วจิตมันไม่โง่พอที่จะเศร้าโศกอีกต่อไปแล้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานะันนพวกเราต้องศึกษานะวิธีปฏิบัติสรุปง่ายๆเลยรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวรักษาศีลห้าเราก็จะได้ศีลฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้อง แล้วก็เจริญปัญญาคือดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไปเห็นกายก็ทำงานไปส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์ก็ทำงานไปส่วนหนึง่งนะกุศลอกุศนะลก็เกิดดับทำงานตามหน้าที่ของมันไปความโกรธก็ทำหน้าที่ของมันไปความโลภก็ทำหน้าที่ของมันความสุขความทุกข์ก็ทำหน้าที่ของมันร่างกายก็ทาหน้าที่ของมันจิตก็ทาหน้าที่ของมันคือไปรู้อารมณ์ต่างๆ เราเห็นขันทั้งหลายมันทําหน้าที่ของมันตามที่มันเป็นนะไม่มีตัวเราตรงไหนเลยเห็นตรงนี้นะเขจะได้พระโสดาบันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วมันเป็นอะไรก็สภาวะธรรมทั้งหลายที่ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอะไรเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นแจ้งในกองทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงที่รู้แจ้งทุกข์นั่นแหละรู้แจ้งทุกข์ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นะ ไม่รู้แจ้งทุกก็ยังทุกเรื่อยๆไปนะไม่ใช่ดับทุกนะไม่ใช่ดับทุกนะแต่ทุกมันไม่มีทุกมันดับของมันเองแล้วมันไม่มีโอกาสเกิดใหม่นะยากไปไหมมีคนบ่นนะาเยอะเลยได้ยินแ่าวหลวงพ่อนะยิ่งแก่ยิ่งเทศยากขึ้นทุกทีทุกทีเอาง่ายๆนะถือศีลห้าทำได้ไหมยากพูดง่ายทำยาก ฝ <c oughs> ึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวฟังง่ายไหมทํายากใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกใจร่อนเร่ทั้งวันเลยใช่ไหมอยู่บ้านก็ร่อนมาวัดอยู่วัดร่อนกลับบ้านอย่างนี้นะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกอยู่บ้านนะยังไม่มีเมียก็ ค, คิดถึงแฟนอย่างนี้แต่งงานแล้วก็ไปคิดถึงแฟนคนอื่นอย่างเงี้ยใจเนะร่อนเร่ตลอดนะหาสาระไม่ได้เลยงั้นมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพูดประโยคเดียวสั้นๆ น, น, นี่นะ แต่ฝึกกันนานต้องคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลจิตไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังรู้ทันนั้นมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วงานสุดท้ายก็คือเจริญปัญญาเริ่มต้นด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งกิเลสก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วจะเห็นว่าทุกๆส่วนนั้นไม่มีเราตรงไหนเลยทุกๆส่วนมีแต่ตัวทุกข์นะท่านสุดท้ายจะเห็นอย่างนั้น มี3งานเองถือศีลหฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกันตัวเจริญปัญญาด้วยการหันแยกกายแยกใจเป็นส่วนๆแล้วดูความจริงของแต่ละส่วนนั้นเห็นไหมพูดยอ่อๆก็ได้นะพูดให้ละเอียดยิบเลยเทศสามวัน3คืนไม่ซ้ํากันเลยก็ยังไหว ย, ย, ย่อธรรมะเยอะแยะนั้นลงมาเหลือนิดเดียวเขายอ่อไดนะ้เพื่อให้พวกเราสบายใจโอ้เห็นมีอะไรยเยอะเลยเนี่ยนอกนั้นขยายความออกไปอีกที เห็นไหมใจไม่อยู่กับตัวเห็นไหมใจไหลหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บไหลปับ๊บจจะหยุดให้ดูเห็นไหมเห็นใจที่ไหลไปไหลามาไหมให้รู้เอานะไม่ห้ามไหลได้ไม่ห้า ม, า ม, ามเราจะเห็นมันไหลได้เองดูซิใจเราไหลไปได้เองไหมไหลไปคิดได้เองไหมลองดูซิลองสั่งมันซิว่าห้ามคิดห้ามคิดสั่งซิ สั่งได้ไหมใครบอกสั่งได้ยกมือซิพวกสั่งได้ก็พวกติดชานเข้าชานปุ๊บนุไม่คิดอะไรแล้วเนาะอยู่ไปเรื่อยเรื่อยยากไปไหมสอนง่ายแล้วนะ <c oughs> เอาให้ตรวจกันบ้านนิดหน่อยพวกอยู่วัดก็สึกดีกว่า วันอังคารค่ะหลวงพ่อแต่เราไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเราฝึกให้เห็นว่าวันอังคารกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันไม่เที่ยงหรอกนะคืเอเราแค่เห็นใจรากไม่ได้ฝึกเอาดีน ะ, ะต่อไปแน่นค่ะแน่นนะคะแ น, น่นแน่นเราก็ดูมันนะมันแน่นของมันเองเราไม่ได้สั่งนมัส ก, การครับหลวงพ่ อ, อ, อเวลานั่งภาวนารู้สึกว่าจิตมันจะ พุ่งพุ่งลงไปอะครับมันมันบริกรรมก็ไม่ได้แล้วมันก็ปกติจะหายใจคือมันมันไม่อยู่อะครับผมคือไม่อยู่แล้วก็ใช้กรรมฐานที่อยากเพิ่มไปใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ไม่ใช่เพื่อให้อยู่นะแต่เพื่อให้รู้ว่ามันหนีไปกรรมฐานเนี่ยถ้าเราทําเพื่อให้จิตมันอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ได้ก็ติดเพ่งนะถ้ามันไม่ยอมอยู่ฝืนให้อยู่มันก็จะแน่นเราไม่ได้ทําเพื่อให้มันอยู่หรอกแต่เราทาเพื่อจะรู้ว่ามันหนีไปแล้ว มันจะลงไปมันเหมือนมันจะลงไปค้างเติงอยู่ครับลอแล้วถ้าอย่างนี้ผมดูค่ามันลงไปค้างแล้วค่อยให้มันคลายไปก็ดูไปอย่างนี้ได้มันจะคลายหรือมันจะไม่คลายไม่เกี่ยวกับเรานะครับกาขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้ฟุ้งมากครับแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันปรุงชั่วโดยที่เราควบคุมอะไรมันไม่ได้จิตเราไม่ใช่ของเราหรอกความปรุงแต่งนะมันมาได้สองแหล่งนะ อันหนึ่งจิตมันปลุงขึ้นมาจากอนุสัยเดิมมาหนึ่งอีกอันหนึ่งมันเป็นพลังงานภายนอกที่ชั่วร้ายแผลเข้ามาก็ได้นี่นสภาวธรรมนี้มีสองส่วนสภาวธรรมภายในสภาวธรรมภายนอกแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะธรรมภายในหรือภายนอกนะเราก็แค่สักว่ารู้ว่าเห็นตามหลักของสติปัฏฐานนั่นเองทำภายในทำภายนอกทำที่หยาบทำที่ละเอียดทำที่ใกล้ทำที่ไกลเสมอกันหมดเลย งันอยู่ๆใจเราด่าครูบาอาจารย์ขึ้นมาสใจอยู่ๆโ ก, กรธขึ้นมาเงี้ยเราก็แค่รู้นะเราเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเดินปัญญาไปเลยนะเอาให้มานมันท้อใจไปเลยนะมันจะไม่ให้เราปฏิบัติเราก็ยังปฏิบัติได้นะเช่นเรานั่งสมาธิอยู่สบายสว่างสวัยอยู่ๆมันแผ่พลังเข้ามาครอบมืดตึตืต้อเลยถ้าเราตกใจเราอุ้ยทาไงจะหายทําไงจะสว่างอันนี้ไม่ถูกหลักนะ เมื่อรู้ว่ามืดใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้วอยู่ความเป็นกลางนะมานจะ ก, กั้นเราไม่อยู่เลยอย่าไม่ต้องไปกลัวมันอย่าไปหวั่นไหวกับมันท่านึงใจเป็นกลางรู้ทุกอย่างอย่าเป็นกลางไปนะธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วลามัวจะไปตกใจซะก็เลยไม่เห็นมันนะไม่เห็นธรรมะงั้นนั่งนั่งอยู่บางทีเหมือนตัวอะไรมันมาทิ่มท่มแ ท, มทงแทงเรานะ ก็เห็นสิ่กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเดินปัญญาไปเลยมันจะท้อใจเลยนะว่าโอ้จะกวางไม่ให้มันปฏิบัตินะ้ำมันก็ปฏิบัติเก่งเนาะมันแยกธาตุแยกขันตลอดเวลาเลยสู้มันมันจะนทนตามได้สักเท่าไหร่ความชั่วนะเราไม่มีทางเลือกหรอกอ้าวใครจะถามหลวงพ่อใครจะคุยจําเป็นคราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเตือนเรื่อง กระจายไม่ถึงฐานแล้วก็มีความจงใจเคร่งเครียดมากเกินไปผมก็กลับไปดูเนี่ยมันก็มีลักษณะของอจิตซึ่งมีโทสะเจืออยู่ปรุงความจงใจขึ้นมาแต่ละขณะอย่าง ม, มันจะลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับมันจะแบบเหมือนกับ ปรุงขึ้นมาเป็นขณนะขณะผมก็ดูตัวนี้อยู่แล้วก็เรื่องความกระจายเนี่ยอาจจะยังรู้จักไม่ดีพอเท่าไหร่แต่ก็สังเกตว่าหลวงพ่อเคยใช้คําว่ามันดีดออกผมก็สังเกตว่าพอรู้สึกอยู่ที่ร่างกายพักนึงเนี่ยจิตก็ไม่เป็นกลางแล้วก็ดีดออกแล้วก็ไปอยู่กับความว่างบ้างหรือปรุงอะไรอย่างอื่นบ้างแล้วก็มาปรุงที่หน้าอกอย่างนี้บ้างผมก็อยากเช็คเพื่ อ, อ, อให้ทําถูกแล้วล่ะครับนะทำถูกแล้วดูไปอย่าที่มันเป็นขันมันก็เริ่มแยกแล้วล่ะดูไปดูออกไหมว่าขันมันแยก พักหนึ่งลครับดีแล้วขันแยกเป็นก็คือเริ่มเดินปัญญาได้จริงลนะครับถ้าขันไม่แยกเดินปัญญาไม่ได้จริงครับเพราะว่าการแยกขันเนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยครับสุดท้ายถามหลวงพ่อว่าบางครั้งเนี่ยหลวงพ่อจะเทศสอนบอกว่าสภาวะทุกอย่างเสมอกันด้วยไจรักณแต่ว่าถ้าเกิดจิตเนี่ยมันไปติดความกระจายอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็จะเตือนให้ ให้ออกจากความกระจายแสดงว่ามันมีเวทนายินดีอยู่แล้วมันรู้ไม่ทันมันไปสร้างภพอันนั้นใช่ไหมครับมันเป็นภพเงินแล้วมันไม่เดินปัญญาหรอกรมันไม่แสดงใจรักให้ดูมันจะไปติดว่างๆนิ่งๆมีความสุขนะก็จะเพลินไปเลยกี่ภพกี่ชาติย้อิดอยู่แค่นั้นผู้ให้ชาจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือประมาณสักครึ่งปีก่อนจะรู้สึกมันจะหลงตลอดเวลามันจะมีความฟุ้งซ่านแล้วก็ ออกนอกตัวตลอดแต่ตอนช่วงทักสงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็พยายามทําอยู่แล้วช่วงสองสมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนจะกลับมามีสติได้ใหม่ถูกค่ะไม่ทราบว่าแต่ว่าวัานนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยรู้เรื่องอีกแล้วไม่รู้รู้ไม่รู้ไม่ต้องอยากรู้ถ้าไม่รู้อะไรเลยนะดูจิตใจไม่ออกเห็นร่างกายมันทํางานไปดูกายชัดนะดูจิตดูยากเพราะมันฟุ้งแรง เห็นไหมร่างกายพยักหน้าไม่ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นแต่หลวงพ่อบอกแต่ว่าพูดอย่างอ้าปากง่ายๆเรก็รู้สึกนะคะก็เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหมอคอยดูไว้นะหมอลุกอยู่ปัจจุบันนี้แหละใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปรู้ไม่ห้ามไม่บังคับไหลแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามไหลนะอย่างนี้ไหลอย่างไหลไปคิดอย่างไหลค่ะแต่เนี้ยแค่เนี้ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆไปใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปเลย นานๆทีมีความรู้สึกคล้ายๆกับเหมือนตัวเองจะไปมองดูว่าตัวที่มารู้เนี่ยมันคนละตัวกับตัวที่เราไปรู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่ามันถูกนั่นแหละคะคนละตัวกันคนละขันกันขอพระคุณตาต่อไปเราย่อๆนะมาสการหลวงพ่อเราย่อๆขอความเมตตาหลวงพ่อได้โปรดชี้แนะว่าโยมต้องแก้ไขในเรื่องอะไรบ้างคะ่ะศีลดีหรือยังศีลบริบูรณ์ยัง ก็พยายามเออน ะ, นะจุดที่แก้ไขอันแรกก็ทําให้ศีลงามหมดจดคะ่ะจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมคิดว่าดีขึ้นบ้างออดีขึ้นก็ถือว่าดีได้ค่าบวกน ะ, ะก็ฝึกทุกวันจิตเคลื่อนไปรู้ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจิตนี้เรารู้ฝึก่งนี้เรื่อยๆน ะ, ะเห็นกายกับใจแยกกันบ้างไหมหรือเห็นว่าความสุขความทุกข์กับใจแยกจากกันเห็นไหมแหวบค่ะเอองัน้นดูจิตไป ดูจิตชำนาญกว่าดูกายนั่นแหละไปทำสามอย่างนี้คเท่านี้เหรอคะหลวงพ่อเท่านี้ก็ครบแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาค่ะกลาบขอบพระคุณได้อีกคนหนึ่งนะนำมัส ก, กายครับหลวงพ่ อ, อคือว่าผมฝึกปฏิบัติได้มาสองเดือนครับ อ, อยากจะขอคำแนะนำถ้าใจ<ห>รเราฟุ้งซ่านให้คอยรู้นะใจยางฟุ้งเก่งอยู่ก็คอยรู้เอาฟุ้งไหม อเ อ, อนั่นแหละจุดดอนนะวิธีก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึง่งจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดจำได้ไหมครับเออจำได้ก็จบนะน่าเชิญกลับบ้าน